ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตปปภาพปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราภิรักิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรสนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงานาจารกถาานาจารก็หมายถึงการประพฤติชอบ การเล่นหมากรุกเสือตกถังหมาปวแทงบวงสกาคลุบเล่นถ่ายรูปเล่นปีใบไม้ไถน้อยเล่นหกกระเมนเล่นตังหันเล่นตวงสายด้วยใบไม้เล่นรถน้อยเล่นธนูน้อยเล่นเขียนทายในอากาศในหลังเล่นทายใจเล่นเรียนคนตาบอดคนง่อยคนกระจอกเป็นต้นหัตถศิลปศาสตร์ช้างม้าเป็นต้น เล่นหัดวิ่งหน้าช้างหน้าม้าเป็นต้นเล่นตบมือเล่นมวยปล้ำและเล่นการเล่นต่างๆอย่างอื่นซึ่งไม่มาในบาลีเป็นต้นว่าปีภาาปากหรือว่าผิวปากหรือว่าเรือนน้อยเรือนน้อยๆเหล่านี้ชื่อว่าอนาจารไม่ควรแต่พิกูจและสามเณรด้วยจะเป็นพิสูจหรือว่าสามเณรตไม่ควรทั้งนั้นนะการเล่นต่างๆเหล่านี้ ท่นก็ไม่ได้แสงอันดไายแต่ว่าเป็นกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมต่อไปข้อหนึ่งยา ก, กลิ้งศีลาเล่นถ้ากลิ้งเล่นต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ในวินิตวัตถุว่านับจากพิฆเวดดวายศิลาวิชิตบาดังนี้ใช่แต่ศิดาอย่างเดียวแม้เป็นของอื่นคือท่อนไม้ต้อนอิดอันใดอันหนึ่งจะ ก, กลิ้งและโยนด้วยมือหรือเครื่องยนต์ไม่ควร วัวเลาะไปพรางกลิ้งหรือว่ายกก้อนหินไปพรางเพื่อประโยชน์แก่พระชดีเป็นต้นเป็นกรรมสมัยสมัยที่ทํากันงานเพราะเหตุ น, นั้นควรอยู่ทํานวกรรมอื่นเช่นนี้หรือล้างของยกต้นไม้หรือว่าท่อนไม้สําหรับล้างสําหรับซัดขึ้นกลิ้งโยนไปควรอยู่ในเวลาฉันอยู่เป็นต้นจัดค้างไม้หรือว่ากระเบื้องไล่ตาหรือสุนัข ก, ก็ควร อันนี้ก็ไม่มีาอาบัตินะแต่ว่าในพระสูตรนี่ท่านก็แสดงว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เช่นในมหาอาสสัปุรสูตรในชุดของมหมามกุตรราชวิทยารายเล่มเบอร์สิบเก้าหน้าสองร้อยิบสองหน้าสองร้ยี่สิบสามในมันชฌิมนิกายมวยปั น, ปปนาตเล่มเบอร์ส <ๆ S 2> ิบเก้าก็แสดงว่าพิสุใด้เงื้อก้อนดินหรือว่าท่อนไม้โดยไล่กาทั้งหลายซึ่งกําลังดื่มน้ําในหม้อน้ำหรือิตกินข้าวสุกในบาศ กายยะสมะจาร์ควมิจุนั้นไม่บริสุทธิ์ในมหาอสัพพรสูตรที่กล่าวด้วยเรื่องของธรรมะที่ทําให้เป็นสมณะแล้วก็เป็นครามก็คือทําให้สงบแล้วก็สามารถที่จะลอยบาปได้สแสดงเกี่เรื่องของตัณฑ์ศีลโดยหัวข้อของยิริโอต ป, ปะกายยะสมาจาร์วจีสมาจาร์แล้วก็มโนสมะจาร์อาชีวภริสุทธิอินริยสังวรโภชเนมัตันยุตาจาคริยานุโยกสติสมัชั ญ, ญญาในฐานะเจ็ด แล้วก็การประกอบวิเวกและพวกนิวรณ์ได้ด้วยปฏิสังขารหานะเรื่องกำลังการพิจารณาเข้าฌานสี่แล้วก็บรรลุวิชาสามในมหาอาสารกุรสูตรนั่นก็แสดงว่าการที่เงือกเนื้อเนื้อก้อนดินหรือว่าท่อนไม้แค่นั้นแค่เงือกเนื้อก้อนดินท่อนไม้เพื่อที่จะขับไล่กาทั้งหลายจึงมาดื่มน้ําในหม้อน้ําหรือว่ามาจิตกินเข้าสุกในบาศเนี่ยอันนี้ก็เป็นตายะสมาจานที่ไม่บริสุทธิ์นะ แต่ว่าท่านก็บอกว่าไม่มีอบัตในพระวินัยทบอกว่าจะว้างไม้ขว้างเลยนะหรือว่ากระเบื้องไล่ตาหรือสุนก็ต่อขวรอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูความเหมาะสมว่าจิตเป็นกุศลหรือว่าอากุศลอย่างไรข้อหนึ่งอย่าขึ้นต้นไม้ถ้าขึ้นต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวรุกโขอภิรูหิตบโดดังนี้เมื่อจิตเป็นต้นว่าจะถือเอาไม้แห้งมี และขึ้นไปได้สูงเพียงชั่วบรุษขึ้นไปได้แค่สูงชั่วบรุษหนึ่งเห็นจัดร้ายหรือว่าหลงทางประสงค์จะหนีและแลดูทิศหรือเห็นไฟ ป, ป่าและห่วงน้ำไหลมาในอันตรายเช่นนี้จะขึ้นต้นไม้แม้ให้สูงยิ่งขึ้นกว่านั้นก็ควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวกความละสติกะรณีเยโปริสิยังรุขขังอภิรูหิตุง อาปดาสุยาวะดัดถังเตาวามต้องการถ้ามีอันตรายดังนี้ข้อหนึ่งยาจุดป่าด้วยทรงห้าไหมไว้ว่าณพิคเวดาโยอาเลเตตัตบโบแปลว่ายาพึ่งจุดไฟเผาป่าถ้าเผาป่าต้องทุกข์กดถ้าจุดเจาะจงวัตถุดใดวัตถุนั้นตายเป็นประชิกและอนันตริยกรรมและถุนจยปาจิตตี และเป็นอกุศลราศีตามวัตถุนั้นคือเป็นกองของอากุศลตามวัตถุถ้าไปจุดเผามนุษย์ตายก็ปาราชิตไปเผาพ่อแม่ตายโดยร้าถ่ า, าตายก็เป็นอนันตริยกรรมถ้าไปเผายักษ์ตายตั้งใจเผายักษ์ตายก็เป็นถุรจัยมนุษย์นะตั้งใจเผาต้นไม้ก็เป็นปาริตีจุดป่เจาะจงให้ย้าแนะต้นไม้สดไหมเป็นปาริตีอย่างเดียว เฉพาะให้เครื่องทัพภูปะตะรณะชิพายก็คือเครื่องทัพพระอุปกรณ์ต่างๆเป็นทุกกฎจุดแม้ด้วยประสองค์จะเล่นเป็นทุกกฎเหมือนกันคํานี้กล่าวไว้ในสังเขปปัตตะถ า, าอัตตกถาโดยสังเขปสังเขปปัตตะถ า, าสังเขปปัตตะถ า, าบอกว่าจุดเจาะจงให้ต้นไม้ที่สดของมีอินทรีย์ไหม ให้พึงรู้ว่าเป็นปาราชิกและถุรจัยปารจิตีทุกกฎตามวัตถุเถิดถ้าให้ของสดหรือว่าของมีอินทรีย์มีชีวิตไหม้หรือว่าเสียหายหรือว่าตายไปก็ให้รู้ว่าเป็นอบัตตตามวัตถุนั้นแหละเห็นไฟชาวป่าเขาจุดหรือว่าไฟเกิดขึ้นเองแล้วก็ไม่มาจะไม่ให้กุฎิญ้าชิ้นหายและจุดไฟรักไว้กอดีและทําการต่างตั้นคือถากพื้นและขุดคูไว้รอบกุฎิญ้ากอดี อย่างไรไฟไม่ได้เชื้อจะดับไปเองทำอย่างนั้นการนั้นก็ควรสามารถจุดไฟรับหรือว่าขุดหรือว่าปัดกวาดเชื้อต่างๆไม่ให้มาถึงกุดีนี้ได้ด้วยทรงอนุญาตด้วยว่าอนุชานามิพิขเวข้อความละนวะดาเหใดหะมาเนปปะตักคิงดาตุงปริตตังตาตุงดังนี้ทําการทั้งปวงนั้นเมื่อไฟติดขึ้นแล้วจึงควรราะเป ตัดต้นไม้หรือว่าไปขุดดินต่างๆที่จะไม่ให้เชื้อมันเข้ามาที่บันณกุดีหรือว่าจุดไฟรับต้องให้ไฟมันเกิดขึ้นแล้วถึงจะไปทำได้เมื่อไฟยังไม่ติดขึ้นพึงใช้อนุสัมบัญให้ทำเมื่อจะดับด้วยน้ำพึงเอาน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์มาเทดับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาจาระกะถาจบความประพฤติที่ไม่สมควรต่อไปจะกล่าวในปริขาระกะถา ข้อหนึ่งอย่าใช้บริขารต่างๆด้วยพระอภิษฐาาจารย์ท่านวินิฉัยบริขารที่ควรและไม่ควรเป็นบาลีมุตตะพ้นจากบาลีไว้ดังนี้คนบางจะพวกเขาเย็บร่มใบตาลข้างในหรือข้างนอกด้วยได้เดนจพันห้าสีทําให้เกลี้ยกล่าวงดงามด้วยสีร่มนั้นไม่ควรจกเย็บปักข้างในหรือข้างนอกหรือรัด ก, กลึงหัวซี่และตีนกุ้ง ด้วยได้เขียวหรือว่าเหลืองอันใดอันหนึ่งแต่สีเดียวเพื่อจะให้มั่นคงควรอยู่เพื่อจะให้งามไม่ควรในใบฉัดจะตัดเป็นฟันมังกรหรือว่าจันครึ่งซี่ไม่ควรทา่านไปรูปหม้อหรือว่ารูปสัตวร้ายในคันฉัดดังในเสาเรือนก็ไม่ควรถ้าแม้ในคันฉัดทั้งปวงกลึงเป็นลวดด้วยเหล็กกลึงลวดนั้นก็ไม่ควรพึงต่อยรูปหม้อรูปสัตว์ร้ายเสีย คือทำลายเสียขัดกราวเอารวดออกเสียหรือเอาได้พันคันเสียใช้กั้นเถิดในต้นด้ามก็คือโคนด้ามเนี่ยสันผานดังดอกเห็ดควรอยู่ในที่ซึ่งเอาเชือกผูกใบร่มโยงมาผูกในคันเพื่อจะกันลมจะคัดขึ้นเป็นรวดดังวลายรวดนั้นก็ควรจะให้มันนู น, นขึ้นเป็นแบบเหมือนรวดในจีวรติด อาคันตุกะปัดเย็บเหมือนหลังตะขาและทำวิการด้วยเชิงเข็มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในปากผ้าที่แผ่นผ้าทั้งสองกระทบกันและในที่สุดโดยรอบแหงจีวรจะเย็บเป็นช้องหรือเป็นสายโซ่เป็นต้นด้วยได้ต่างๆเพื่อจะประดับทั้งปวงนั้นไม่ควรทั้งสิ้นเย็บไปโดยปกติอย่างเดียวจึงควรแผ่นผ้าลูกดุมและแผ่นผ้ารังดุม ทำเป็นแปดมุมหรือสิบเอ็ดมุมก็ดีในแผนผ้านั้นทําเป็นพนมขึ้นดังเจดีและไม้ค้อนหางโคเป็นต้นก็ดีคัดขึ้นเป็นตาปูก็ดีทั้งปวงไม่ควรทั้งนั้นเลยแผ่นผ้าลูกโดมรังโดมเป็นสี่มุมอย่างเดียวจึงควรปอมหัวได้ในมุมนั้นควรด้วยว่าเมื่อย้อมแล้วก็จะหายไปจะแช่จีวรลงในน้ําต้มปะาอูมและแป้งและน้ําข้าวเป็นต้นก็ไม่ควร แต่แช่ลงเพื่อจะปอกมนทินมือหรือว่าขี้มือเนี่ะและมนทินเข็มขี้มือขี้เข็มมางทีมนเป็นสนิมอะไรพวกนี้ยเป็นต้นที่เปื้อนในเวลาเย็บและเก่าเพื่อจะปอกควรอยู่ถ้าเข็มมันเก่ามีสนิมอะไรต่างแล้วเนี่ยจะไปแช่ลงในน้ําข้าวน้ำซมประอูเพื่อจะทําลายปิน่นหรือว่ามนทินเหล่านั้นก็ควรจะเจือของหอมหรือคลั่งหรือน้ํามันลงในน้ําย้อมไม่ควร จีวรย้อมแล้วอย่าพึ่งขัดด้วยสังหรือแก้วสิ่งใดสิงหนึ่งย้อมจีวร อ, อย่าจดเข่าทั้งสองลงในพื้นเอามือจับขยี้สีไปในรางเพราะว่าผ้าเบาบางเย็บก็บอบบางเลยจะขาดง่ายแต่จะวางผ้าลงในรางหรือว่าในกระดานแล้วให้คนจับในที่สุดไว้แล้วตบด้วยฝ่ามือควรอยู่แต่อย่าทุบด้วยกำปั้นพระเจรต์ทั้งหลายแต่ก่อนท่านไม่วางผ้าลงในราง องหนึ่งถือผ้ายืนอยู่อง์หนึ่งจับไปแล้วก็เอามือตบไปตบมาใต้ในมุมจีวรนั้นไม่ควรยอมแล้วพึงตัดเสียได้ในมุมจีวรใดที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ได้น้นพึงผูกทาเป็นบ่วงในอนุวาสเพื่อจะได้คล้องในเวลายอมแม้ในลูกดุมทำเป็นลูกหรือว่าปมเพื่อให้งามก็ไม่ควรพึงทาให้ชิบหายเสียแล้วก็บริโภคเถิด ในบาทหรือว่าในถากะพาชนะเครื่องใช้พวกถาดเป็นต้นจะเอาเหล็กกลึงกลึงเป็นลวดข้างในข้างนอกไม่ควรจะเอาบาทเข้าพรมรขัดแล้วระบมด้วยประสงค์จะทำให้มีสีดังแก้วมณีก็ไม่ควรปัจจุบันนี้ก็มีการระบมตรวทั่งข้างในนี่เหมือนกับปลึกแมงทับเลยนะสวยสดงดงามแต่วันในที่นี้ก็แสดงว่าไม่ควร จะเาบาทเนี่ยเข้าพมรขัดแล้วระบมด้วยประสงค์จะทําให้มีสีดังแก้มณีนี่ไม่ควรแต่บาทมีสีดังน้ํามันควรอยู่ในมณฑลเป็นบวงเวียนรองบาทจะขุดเขียนเป็นลวดลายไม่ควรแต่ปักเป็นฟันมังกรควรอยู่ข้างบนหรือว่าข้างล่างแห่งฉัดธรรมกบหรือในกระพุ้งธรรมกบเป็นลวดไม่ควร ก็แต่ลวดในขอบปากอาการดังฉัด น, นั้นควรอยู่รกระกฏเอลจะกลึงได้ควบลงในที่นั้นและจะคัดเป็นตาปูขึ้นเพื่อให้งามก็ไม่ควรจะกลึงได้ควบลงในที่สุดทั้งสองข้างเพื่อจะให้ปากชายมั่นควรอยู่แต่ในปากชายจะทําเป็นรูปหม้อหรือว่าปากมังกรหรือว่าศรีรษะงูน้ําให้เป็นรูปอันวิการอย่างไรอย่างหนึ่งไม่ควรแม้ประกฏที่กลึงปักเป็นผู้ หรือทำเป็นดอกไม้เป็นต้นในที่นั้นๆก็ไม่ควรก็แต่จะครึงปักให้ตรงไปทำเป็นกล้งตาหรือใบเป้งหรือทำเป็นแผ่นเกลี้ย์ควรอยู่ชายแห่งประคบสายเดียวสองสายสามสายแม้สี่สายก็ควรยิ่งขึ้นไปกว่านั้นไม่ควรประกบเชือกเส้นเดียวจึงควรแต่ประคบสันฐานดังสังวานแม้เส้นเดียวก็ไม่ควร แต่ชายแม้มีสันฐานดังสังวาลควรอยู่ประคตที่เขารวบเชือกมากด้วยกันในที่แห่งเดียวแล้วเอาเชือกเส้นหนึ่งพันเนื่องกันไปดังนี้ยาพึงกล่าวว่ามีเชือกมากเลยประกตนั้นควรอยู่เพราะว่าเอาเชือกรัดพันทั้งหมดแล้วก็เหลือเส้นเดียวในทวินหัวประกตทำเป็นโรควิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่ามงคลแปดไม่ควรทาพอเป็นรอยกาหนดที่ผูกควรอยู่ ในที่สุดทั้งสองแห่งทวินแม้จะทำเป็นรูปหม้อเพื่อจะให้มั่นคงก็ควรในกระบอกยาตาจะทำเป็นรูปสตรีบุรุษตัดสีส่เท้าและรูปนกและทำรูปวิการเป็นต้นว่าดอกไม้เคลือวันปันมังกรโครบุตรจันครึ่งซีดไม่ควรทั้งหมดพึงขัดหรือว่าตัดเสียหรือพันด้วยได้อย่าให้ปรากฏแล้วก็ใช้เถิดกระบอกยาตาตรงไปอย่างเดียว เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าแปดเหลี่ยมหรือว่าสิบหกเหลี่ยมก็ควรแม้ก้นกระบอกเป็นลวดกลมสองหรือว่าสามที่ก็ควรแม้ที่คอกระบอกทำเป็นลวดกลมไว้ลวดหนึ่งเพื่อจะปลูกผ้าก็ควรอยู่ลวดเนื้อคงจะหมายถึงว่ามันนูนขึ้นมาทำให้มันนูนขึ้นมาก็จะได้ใช้ประโยชน์ล็อกด้วยแล้วก็ไว้ผูกได้ด้วยแม้ในไม้ด้ามยาตา จะแต่งให้มีสีเกลี้ยงให้งามไม่ควรในถุงกระบอกยาตาจะทําให้งดงามอย่างใดอย่างหนึง่งด้วยได้มีสีต่งางๆก็ไม่ควรแม้ในฝักกุญแจก็เหมือนกันในตัวกุญแจเล่าจะแต่งให้มีสีงามก็ไม่ควรในซองในฝักมีดก็เหมือนกันในซองนั้นจะเย็ดอย่างไรอย่างหนึง่งด้วยได้อย่างไรอย่างหนึง่งแต่สีเดียวควรอยู่แม้ในเหล็กกลึงและมีดปลายแหลม ทำเป็นปมกลมหรือว่าแต่งให้งดงานอย่างอื่นก็ไม่ควรแต่ที่คอทําเป็นลวดสำหรับหมายควรอยู่แม้ในมีดพับและมีดหน้อยจะติดเป็นปมหรือว่าเป็นตอมอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ควรแต่ในด้ามทําเป็นลวดสำหรับกำหนดควรอยู่มีตัดเล็บทําเป็นเกลียวไปเพื่อจะได้ถือมั่นควรอยู่ ในไม้สีไฟอันบนหรือว่าอันล่างหรือธนูและคันสำหรับชักข้างบนจะแต่งให้งดงามอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นต้นว่ามีมาลากรมไม่ควรแต่ในมณฑลกลางแห่งคันสำหรับชักนั้นทำพอเป็นลวดสำหรับกาหนดขวรอยู่เอาไว้จับได้สะดวกด้วยในคีมสำหรับขีดเข็มฝนนั้นจะตกแต่งให้งามอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าปากมังกรไม่ควร แต่ทำพอเป็นป่าเพื่อจดขีดเข็มนั้นควรอยู่แม้ในมีดตัดไม้สีฟันจะตกแต่งให้งดงามอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ควรจะเอาโลหะเป็นจับรพิยะติดให้ตรงไปในข้างทั้งสองหรือข้างเดียวแห่งด้ามให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมควรอยู่แม้ในไม้เท้าจะแต่งให้งดงามอย่างไรอย่างหนึ่งก็ไม่ควรคนข้างล่างจะทำเป็นลวดกลมลวดหนึ่งสองวดจะดี ลายข้างบนทําพอเป็นดอกเห็ดตูมก็ดีควรอยู่ในภาชนะน้ํามันจะเป็นเขา่าหรือว่ากระบอกหรือว่ากระโหลกน้ําเต้าหรือปั้นด้วยกากมะขามป้อมก็ดีจะแต่งให้มีสีงดงามทั้งปวงยกแต่รูปสตรีบุรุษเสียย่อมควรพวกนี้นี่ภาชนะน้ํามันพวกกระบอกกระโหลกน้ําเต้านี่จะมีลวดลายอะไรไม่เป็นไรยกเว้นรูปสตรีรูปบุรุษในเตียงต่างพวกหมอนเครื่องลาดพื้นผ้าเช็ดเทา้า ผูกสำหรับจงกลมกระดาษกระเชา้ากระดกาา็หมายถึงที่กวาดขยะไม่กวาดแล้วก็ทิชเทอหยักเยื่อรางย้อมผ้ากระบวยตักน้ำหม้อน้ำกระเบื้องสีเท้าตั้งกระดานเชิงบาดดังวลัยและทำด้วยท่อนไม้ฝาบาทตาลปัดพัดวีชนีในของเหล่านี้จะทำให้งดงามด้วยสีทั้งปวงเป็นต้นว่าดอกไม้ควรอยูของพวกนี้ก็อนุญาตทาได้ ในเสนาสนะในบานประตูและบานหน้าต่างเป็นต้นแต่งให้งดงามแม้ประดับด้วยแก้วทั้งพวงก็ควรในเสนาสนะสิ่งใดซึ่งจะพึงห้ามไม่มีเสนาสนะนี่มันก็ขั้งทอมเงินเป็นภาชนะเป็นบริการเป็นโต๊ะตียงต่างอะไรพวกนี้ก็ในเสนาสนะนี่ใช้ได้หมดบาลีมุตตะวิณิชโยจบวินิยยจฉัยทั้งปวงนี้ใช่จะพ้นจากบาลีไปทีเดียวก็หาไม่ บางสิ่งอาศัยบาลีว่าณพิคเวอุจาวจาคันธิตาวิฏาอัญชณีอัญชณีสลากาสัทธดันดาปฏิก า, านัตถุกรณีกันนะมะละอาระนิโยทูมะเนตานิปตะมันดลานิทาเรตบานิบ้างแปลว่าลูกโดมลูกทวินกระบอกยาตาไม้ดามยาตาด้ามมีด นับรับปากเข็มกระบอกยานักไม้ไขหูกล้องสูบยาบังเวียนรองก้นบาดของเหล่านี้เป็นของยิ่งและของย่อนคือแล้วด้วยทองและเงินเพกตุยาพึงใช้ถ้าใช้ต้องทุกกฎลูกดมุมลูกทวินสองนี้แล้วด้วยกระดูกและนาและคลั่งและไม้ไผ่แล้วด้วยกะลาและสังและได้ควรอยู่ ด้วยเป็นของทรงอนุญาตกระบอกอยาตาไม้ดามยาตาเป็นต้นแล้วด้วยกระดูกและนาและเขาและไม้รวกและไม้ไผ่แล้วด้วยไม้และคลั่งและผลไม้และแล้วด้วยโลหะกะลาสังควรอยู่ด้วยเป็นของทรงอนุญาตบังเวียนรองก้นบาทแล้วด้วยดีบุกและสังกสีจึงควรด้วยเป็นของทรงอนุญาต ก็แลอุจาวจาในบาลีว่าแล้วด้วยทองและเงินบ้างบางสิ่งเป็นอย่างอื่นบ้างดังปรากฏเอว่าณนะอุจาวจานิกายาพันธนาณิทาเรตบาลิกลาบุกังเดดุพะังมุรัชชังมัทวินังว่าประกฏเอวยิ่งและหย่อนคือมีเชือกมากและมีสันฐานดังศีษะงูน้ำและพันไปมีสันฐานดังเกลียวเชือก และมีสันฐานดังสังวานพิกตุอยาพึงใช้ถ้าใช้ต้องถูกกฎแต่พันไปสันฐานดังเกลียวเชือกและสันฐานดังสังวานนี้ในชายประคตควรอยู่โดยตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวก็ความระมุรัชังมัตถวินังดังนี้ปะติกังประคตแผ่นผ้าทอโดยปกติและทอดังก้างปลาสุกรันตะกังประคตดังไสตุกอน น้าฝกกุญแจประคตสองอย่างนี้เป็นของทรงอนุญาตข้อ 1. หนึ่งทรงห้าไมไว้ว่านาพิกเวจิตราณิปัตะตมันดลานิทาเรตบานิรู ป, ปกากินนานิแปลว่าอย่าพึงใช้บังเวียนรองก้นบาทอันวิจิตเกลืนกลนด้วยรูปสัก์ถ้าใช้ต้องถูกกดข้อ 1. หนึ่งอย่าพึงทรงพักวิชนีสี่เหลี่ยม ทำด้วยขนสายจามรีถ้าตรงคือใส้สอยต้องทุกกด้วยทรงห้ามไว้วา่านาพิกเวจามรีวีชนีทารตบาดังนี้วิธู ป, ปนังพัดตารวันตังพัดทำด้วยใบตาลหรือด้วยตอกหรือด้วยแววนกยุงหรือด้วยหนังมกะสาีชนียุงปัด ยุงปัดก็คือพัดไลยุงนั่นเองแม้มีด้ามแล้วด้วยงาและเขาก็ดีของเหล่านี้พระองค์ทรงอนุญาตพัดสามอย่างก็คือวาตะมยาพัดทำด้วยเปลือกไม้อุตีระมยาพัดทำด้วยรากแฝกโมระปินชะมยาพัดทำด้วยขนหางนกยุงเหล่านี้เป็นของทรงอนุญาตข้อนหนึ่งอย่าใช้ไม้สีฟันยาวนะักข้อหนึ่งอย่าใช้ไม้สีฟันสั้นนะักได้ทรงห้ามไว้ว่า นาพิกเวดีคังดันตะกัดถังขาดิตับังอนุชานามิพิกเวขก็ความละอัฏฐานกุลปะระมังดันตะกัดถังณอติมันดาหกตังดันตะกันถังขาดิตับังอนุชานามิพิกเวก็ความละจตุรังคุลังปัจจิมังดันตะกัดถังแปลว่าอย่าพึงเชียวไม้สีฟันยาวถ้าเชียวต้องทุกกดเราตถาคตอ น, อนุญาตไม้สีฟันเพียงแปดนิ้ว ด้วยนิ้วมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต้นเหตุก็คือใช้ไม้สีฟันยาวมากเลยเอาไปตีธรรมเนนมีอบัตด้วยนะตีธรรมเนจนี้อบัตทุกกดแม้เจตนาอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเคี้ยวไม้สีฟันเล็กนักสั้นนักถ้าเคี้ยวต้องทุกกดเราจะถาคต อ, อนุญาตไม้สีฟันสี่นิ้วเป็นอย่างสั้นต้นเหตุจากพระพิจุเคี้ยวไม้สีฟันสั้นแล้วเลกตืก่นก็ไปติดคอ ต้องบัญญัติว่าห้ามไม่ให้ใช้ไม้สีฟันตั้งกว่าสี่นิ้วการไม่ใช้ไม้สีฟันนั้นมีโทษห้าอย่างก็คือไม่เกื้อกูลแก่ในตาทําให้เส้นประสาทตาไม่ดีด้วยปากเหม็นก้อทสองเอ็นรับรสไม่บริสุทธิ์ข้อที่สามข้อทีส่สี่แม้ดีและเส็มหะย่อมดึงรัดข้าสุขข้อที่ห้าข้าวสุ ข, ข, สขไม่เป็นที่ชอบไม่อร่อยแก่เธอนั้นก็เลยทําให้มีหยากฉันเมื่อมีอยากฉันก็เร่แรงไม่มีก็ําเพ็นสมณธรรมไม่ได้ดังนั้นการ แปลงฟันการใช้ไม้สีฟันนี้ก็มีอานิสงส์หลายประการถึง5ประการด้วยกันส่วนการใช้ไม้สีฟันก็มีอานิสงส์5อย่างพึงรู้โดยนที่เป็นข่าศึกแก่โทษนั้นเถอะก็คือทําให้เกื้อกูลแก่ตาทำให้ประสาตตาดีปากไม่เหมินเอ็นรับรสบริสุทธิ์แล้วก็พวกดีเสดไม่รึงรัดเข้าสุขข้าสุขก็เป็นที่ชื่นชอบรสไปสัมผัสที่ลิ้นอย่างดีไม่มีเครื่องกัน้นก็ทําให้อยากรับสารอาหารแล้วก็ทำให้มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะประพฤติ ไกลติขาได้ข้อนหนึ่งอย่าพึงทําการสั่งสมเครื่องที่ทําด้วยโลหะและเครื่องที่ทํำด้วยสำริดถ้าทําการสั่งสมไว้ต้องทุกกฎด้วยทรงห้าไว้ว่าณนะพิฆเเวโลหะพันดังกังสะพันดังสันนิจโยกาตาโบดังนี้กระบอกอยาตาไม้ดามยาตาไม้ไข้หูปลอกมีดเป็นต้นแล้วด้วยโลหะและสมำริดควรอยู่ ด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวเขาความละอัญชะนิงอัญชะนีสลากังกันนะมะละาหะานิงพันธะนะมะตังดังนี้ข้อหนึ่งบรรพชิตอย่าพึงชักชวนบรรพชิตหรือสาธมิกทั้งห้าในจรรมอันไม่ควรถ้าเธอใดชักชวนให้ทำต้องทุกตกด้วยทรงห้าไว้ว่านาพิกเวปปะชิเตนะอกักตปเย สมาดเปตะบังดังนี้ไปชักชวนในกรรมที่ไม่ควรแก่ันตะชิดไม่สมควรมีอบัตรทุกกฎชวนให้ไปทำไม่ดีต่างๆโดยอาการทั้งปวงเนี่ยข้อหนึ่งพิจุเคยเป็นช่างกระระบบคือช่างโกนผมอยู่ก่อนแล้วอย่าพึงรักษาเครื่องมีดโกนไว้ถ้าเธอใดรักษาไว้ต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวณะหาปิตะปุปปาเกนะคูระพันดังปริหะริตะบัง ดังนี้ถือเอารักษาไว้อย่างเดียวไม่ควรแต่จะโกนด้วยมีดโกนของผู้อื่นควรอยู่ถ้าพิการรับจ้างโกนผมก็ไม่ควรเธอใดไม่เคยเป็นช่างกระบบกอยู่ก่อนแล้วเธอนั้นแม้จะรักษามีดโกนไว้ก็ควรแม้จะถือเอามีดโกนนั้นหรือมีดโกนอื่นมาโกนผมก็ควรด้วย ข้อหนึ่งทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานานิพิคเวทาเปตาวาปะระนิงสับบางโลหะพันดังทาเปตาวาตะตะกังจะกุมพระการิกังจะสับบางมัตจิกาพันดังทาเปตตวาอาสันดิงปัลลังกังดารูปตังดารูปา ด, ดุกังสับบางดารุพันดังแปลว่าเครื่องทำด้วยโลห์ทั้งปวงเว้นแต่เครื่องประหาร และของทําด้วยดินทั้งปวงเว้นแต่เครื่องสีเท้ามีสันฐานดังสักบัวกัก บ, บูดีดินล้วนและของทําด้วยไม้ทั้งปวงเว้นแต่เตียงต่างสูงกว่าประมาณและบาตร ท, ทาด้วยไม้เสียงเท้าทําด้วยไม้นอกนั้นเราตถาคตอนุญาตก็อนุญาตมากมายเพื่อความอยู่ฝาสุขจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของราาพระสาวกทั้งหลายของพิสุทธ์ทั้งหลายทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในต า, านิจาจานุเคราะห์อย่างมาก เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้ศรัทธาแล้วก็กระันยู่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ตั้งใจศึกษาน้อมเปในการที่จะประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่อธิศียและศิกษาก็คือศึกษาบทในปาฏิโมกข์และพระนอกพระปราฏิโมกข์ในพระวินยัยปีตกนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาภาษาธะยิ่งขึ้นในการที่จะบำเพ็ญวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อจะพ่อคูนไตรศิกยาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาเมื่อมีปราษาธะ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองในพระาศาสนานี้นจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลสิ้นวัฏฏะทุกในที่สุดด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ